เล้ยงกทิ้งไดหมลยงไมลพื่อบรรลเรื่องวมแค่ความเจ็บได้แค่ความเจ็บได้แ ค, คไดแค่ความใคล้ได้เพราเรากอทามาลเพื่อบอรลท <c oughs> ําหน้าที่สว้างประเทศทำวิถีนี้นกาย่าแก้ยายคล้ายนี้นะอ่าเพื่อเราขัา้นึงนงขนที่ห้าที่ห้าเพื่อสร้างร่างกายซึ่งเราเรากิด ม, มาเพื่อ พือไม่รู้รู้คิดและรู้รางกายถ้าเราเราเจ็บบาครัจ็เป็นรูของเราจะบกายก็เป็นรูแกลงกายถ้าเจ็บไม่ีเป็นรูกรื่อรู้คิดซื่เราดำเพื่อห้รู้คิดห้ให้รูร่างกายให้หลักชาติส่งโอลักชาติสิงะไรสิ่งสิ่งคููหลักชาร่างกายคู่แรงรากายแาติคิดอลูกไปทิ้งแล้วนั่นคือทิ้งหัวใจุู้ใจ้าวก่อที่หัจ้จาจะจะให้หยุดมาให้หลักชาติซึ่งเราไม่เชื่อเราลูกผู้จ้า ต้นข้ของดีต่างหากคือทางให้เราคือร่างกายนี่คือก้องตารำตาำผู้ร้านะไม่ใหญ่กล้องโลกเลยกองาดำจริจริงตาำผู้ร้าน่ายเลยถึงกับถึงของเราอไรทเป็นตาดำเลยว่าโอ้ตาดำี่นี่เราบูชาตาไหว้ตรดำเราไหว้จงเล็กคในพวกเรานี่คือตาพอบางคือเจ็บนั่นคือตาำต้นเราที่นพูเจ็บปุชาพูเจ็บปุชาพูดพอบางคือเจ็บบางคือแค่เจ็บพุงหรือจะส่วนน้เจ็บส่นั บาปปุตตูปุตตูึ่ว่าพูดปุตตูที่บาปปุตตูทามเลยว่าทามคือว่าพิธิมาตาพิษกันเจ็บ้ามาคิดไม่ไม่เจ็บโรเล่พิษกิดพิธิมังต่อามาพได้พิดมังต่อพิดคือ่ากรรมเลยนะกรรมบกรรมก็แทดยงไงกแว่าไอ้หลูกเจ็บกระหลกแก่กรมนี้ได้ยังลงจากง่าเรารับเลยละเรารับพิดแล้วนะเราก็ถูกพิดแล้วนะ่งเราจับมาจับอยู่ได้ก้าวแล้เนี่คือว่าโราอยู่กับปุตตเนี่ เรื่องบาปุติเจ้ามันมันบูติงานนี่มันริงหมดแล้วซึ่งพอเรเป็นรูปมัน kind ฟ of <c> ิเลยฟิกจิตุตาวิปุทานซึ่งรวมบางทีมันไม่ปกตเร็ปบอบล่ิปุทานนะทราให้รมะิปุตตาห้ปุตาจริงเราไปย่ำแบตรงหลังคิดหลังคิดหลังตัวรูปตัวโูตัวลกเนี่ยตัวยากนี่นี่ตัวหลังหมดเลยนะตัวหลังอ้อยหมดเลยรวมอย่างนี่อีกีกพอเลยอีกทุตตาเลยพมังน่าจีบกับผมจบุทา ซึ่งถ้าเราไม่เอาชิดปุจชาตะวาอย่างแก่พอเราตายจากลูกนี่เราไปอยู่บุเนี่อยู่ไุ๋งกินิธิกรรมนี้สุดหลังเราจึงคิดเรากินเดียวเลยราไปะยะาแบบข้าคินเรกิดเดียวเลยคิดเสื้อหน้ากุญแจกิดกุชา้์อะไรกินกรเนื้อกินมาเขือทั้งทียังเนื้อกินเนี่ยได้พอเราจากาค่ากินนี่ได้แล้วะนะพอจากาค่าคิดนี่ได้แล้วซึ่งเราลูกจุย่างลูกุย่างด้วยว ะ, ะ ไ, มไม่หมากอย่างเราเราไม่ลูไม่ขดม่ลง อ่าเราทําทำเตี่ยนดีอยู่พที่ปุชาก็หนํานำตามเลยซึ่งเราเรียกคออะไรเราคไว้้เรเรามีคออะไพมีมีคออะไรเลาไม่ไปได้เลยซึ่งคิดอยากห้ามตีกออยู่นอนทาไมรับยินไม้ดาจุกเหลืองน่าเด็นี้พอคิดมาเดี๋ยวแรงมันสีกออยู่ถ้ายุ่มผ้าอกสีกคอยุ่มไม่ไปได้แล้วไม่แล้วต้สี่คอเลยถูกจริงถูกอย่างคิดมันมันยากยังอยูดหยุดึ่งทางกันก้างอย่างเราคกไม่ได้เพรบอกกายมันมันไปรู้กันอยู่ มันมือหนองไม่รับร้อนการ้นที่เดือดรนมากเล่นมากมันถือเป็นผลรูกลายเล้ต่อคอไม่ได้ต่อคองคิดมันมาผ่านลาเลยที่จะไม่คิดไม่คิดไม่มีใคยู้เลยยูคิดคิดไว้ปกติบุตาที่เห็นในพระธรําก็ไม่มียูรรามันนโอนมันโกรธหอนี่เผือมันมันเป็นรูกันเราทําุ๋ยยาเป็นรูทีนี้ยุ่มแลวเองะเทาไเลยวัาจิ้มถีไม่ตียำเอาใส่หนึ่งในทางใต้อีกย่ห้านไว้จิดมีมาเจอมาเส้นทางใต้ตวงหลักเส้นทางใต้ที่เลย ที่การกบฏทำใหรอางกาที่เรายุ่กับบายใช่พเจ็บขึ้นยุ่งจำพิษไฟเลยถ้าายับพึกไฟเนี่ยโค้ด้วยก็ให้เห็เนี่ยให้เลบุญกับปรับให้ไยุ่จำจำนี้ยโยมนั่นจะเป็นบุญถ้าถ้าจําับมันก็เป็นเป็น่ยนมันเจ็บเปลนเจ็บเรยเคือโค้ดได้กันหมดเลยที่ทังกายพูดแสดโูออิยูออแกอนกอแกอยถ้ายมยาโยมยาจะมาเจ็บมาเจ็บจริงหรืเล่่วงโบคือมได้บอกโยมวา เจ็บมากเจ็บต้อปอยเจบตรงนี้เจ็บยาวมาชุดเลยเจ็บมากต้องบอกว่าโอจะป่อกแล้ได้มากกว่านึงยกขึ้นได้มากอ่าเจ็บเลแรกคิดว่าไม่ได้เลยนางนางก้ามาประมาณสมุนกลางตาไม่ให้มันจะขึ้นเลยตายเงตายตรงไปต่อผุดผุดยาวตายตาผุดไดมาผมไม่ไปเนะก้งาตาไปผุดยาวท้งหนางก็สมุนได้งต้ยเลยม่จะกินยาเลยไม่เลยทิ้งเท่าไหร่ําไม่ด้ให้ ไปให้เลยไปดูนั่นท่ามเลยท่ามามเลย่ามหรไปดูอยู่ตรงนี้อยู่มาจอตอนเมื่ออยู่จะอยู่งนีมว่าจะอยู่ตรงนี้่มืนมอีย่างเรื่องยางอย่างเรื่องกว่าก้ไหม่ไม่ม่คือาพิลลนี่ก็คือแบบนั้นเลย้าสร้างความพิษเขาจ้กคือเจ็บหล่าเลยการมาพิจะพมาเจ็บโยนองโก้ไปโยนไม่ได้เจ็บืนของโ้ไปโยนมื่อนี้เลยนี่เราจะมามาอยู่กูบกัว่าเราทำพูดอร่างชาติแรงเขาไปทำนี ทผู้หาชาิเป็นดีอยู่เรีนี้อยู่มานหยาาติคูกาแต่าติคิยคิผูกคิที่กันผูกมา่นแต่าิสิรายอยู่าาที่มีอเราเราเราต้องปอดาอย่าลืมคุาณนี่ันหนักเราไว้เองเราไม่ได้มีปูกาถ้าลงมั่นใจเลยนี่มัอยู่ไม่แคมันมนี้มันม่นเราไม่นบตอนนี้เราเกียบตัวได้เลยออกมัดอยู่ออกมัดเลยนี่ถึงมันขาที่เรานรับเลยอยู่แต่ออกเลยมันจะบ้าอยู่ขอทํามบ้ ไม่าทุนเลยออกก็ม like yeah. so like no, ีช nope ัวออกนาไม่ม่ค่าทุนอยู่ออกู้ออกมากเลทุนได้เราทาสินบ้านสบายเลนี่คือ่าปุติบาพุทชาไม่ทําราดูเลยเราให้ช่วยเราเราหลักบาุเจ้านี้เราเราคเราักบาพุตบาุการเราเราข้าบาปุตปุาเราหลักชาบาปุตเราจะไม่ตำจุ๊ดได้การเลยบาปุตหลักชาเราได้การลืงกัน่ซึ่งบาตัมเราหลักชาบาตัมเลยบาตําละกาโรอ่นะถ้าเราไม่ชาบาตัมบาตําลัการมคือบาตํายงทูนนี่ กำลงตัวไปลงตัวเนี่ยคือลาพอแล้วนี่ก็เราควมามัอลุ่มพิษเลยมีแหลมคือในทัศนาูแลมวืปุพพตพ์เนี่ยเจดผ้รงเราเราพก็หยุ่คับกบ่งุดทีเราไหวพลไม่ไม่ได้ไหวหวาดาคุณยู่ตรงนี้เราถ้าใพอจุมาจาก่านิดเลยคต่าตํากุ้นต่ำังตําสอเยออยู่เรามันม่คืไม่ตัวเองนาที่ตรงนี้ตรงแหลมฝาที่ตรงนี้ใต้เราต่ำที่ตรงนี้งอยง่วุชปาเต็มจงดอเราต่าที่นี่หรือเราต่าเ้อยกย โดยตัวราโดยนกอยู่ตามาให้สาเ่ตัวเรไม่สานกนี่ถาโยมยมเห็นด้วยโยมยเห็นด้วยรบกเห็นละถ้ายอมไม่ตรบอวยมไม่เห็นอ่ามันตรงมันตรงเหมือนกันอยู่ถ้าโยมจะพูดตามอย่างนี้นี่คืออย่างจริงจังเหรอเนี่ย เรื่องหลงป่เจ้าเรียกว่ามาพื้นแล้วนะอุ้มพระเมาุนจาสิ่ก่มาพืแล้วแกมาทำมาพื้นมาทีุ่ณแก้คุณเจ็บุณตายไปเนี่ยขึ้นแก้แล้มอยากม่อยากเบื่อนะกเบื่อเบกเแก่บ่เจ็บเบื่อตาบ่อมลื่ากไ่ะะเยายานะไ่ผเคยจตายอยู่อ่าขึ้นกไปแล้วแก่ปอกแล้วต้งทรมา ก็ต้งโตตู้ห้าห้าตัวหต่ำพูดจะให้มาเพื่อโยมปอปกเหลือเล้ยงแ้ไปใบ้านตนในบานตื่นเราตัุญจโยมอยากใหมาเพื่อทนโืเราเราีมามาเพื่อแล้วโยมคือเราตัพุ่มเป็นกุญแจเลยทีื่โเเห็นนพื่อขอบุกุจพอบุเ้าเยเจ้าเจริญน้าพูดท่วงเรามาเืองานเรามาเอนี่เราโยมนียเราเต่ำพใโยมอ่านี่มันมันเนาาในม้วเป็นกุญแจเป็นข้ากุญแจนะตื่นโยมแรกอบาน กายุบไม่ได้บ้าใรายไม่ได้เลยอายุบไม่ได้ยุบตรงตําบุญยุบพวกราก็ไม่ต่ำไม่ตําอะไรเลยทําไม่เขาไม่ต่ำวันเลยเก็ไม่ตํานาหรืไม่ต่ำั่วเลยยุบยุบยุบมาเลี้ยงใ้ยุบซึ่งยุบใะบุญมันการยู่โยมว่าเป็นคนพุทธเจ้าคนเจ้าคุทเจ้าซึ่งอาตมากคนเจ้าทธเจ้าึนของเรารา่วมกันยุบเราเราเร่วมกันจวบเร่อาน้าเลยาน่าต่ายยุบบ้าวต่ายยุบไม่ตําบุญไม่ต่ำบ้าคนี้กายุบแล้วจะหน้าอยู่ไ่ได้ย เาอบราเพอยากนจ้าข้าหลเจ้าชวยพททาูได้อยู่หน้าเราอกยังพทมาให้พุทธเจ้าแล้วพอทพอพุทธเจ้าได้จบ่ยโยตพุทธเจ้าเรามาทำาโยมารมยมา้ทำา้โยมงมากข้มาึงมากเราะวพุทธเจ้าเป็นคนวมผู้นาเลยเราไม่ทามานึ่งเราคาดตู้โยมเราไม่ทำมาน้าว่าพุทธเจ้านะพอทำมาเาเจ้าเมืทมาโทเมื่มื่อเมืเเมือเราก็มาเรามีลูกกันลกไม่ทามาให้ทให้แม่เลยยเนี่ยโยม แย่าลูกมันตกทุกเลยตกทุกได้ละพอจงจวยเลือด่วยผมพอแม่นี่เหมือนกันพอผุดยาต้องมาเราเคืี่เราู่อยู่เลือดพพอผาเนี่เราต้องต้องช่วยเลยไงอ่าช่วยจงช่วยเลยนี่จุจ่ยาวพอเราเรต้องรับจุเลี่ยงลูกลูกมาเพ้่อเนี่ยลูกนี่เขาก็เศร้าเลยว่ะผมดะาปืนแล้วโยปืนซาวันหลยให้พูดสิทราบมาให้กับผุดยาวทรามาผุดยาวนั่นต้องรับเลยโยถ้าเราทำจะขึ้นชัวรก็ไม่รับอยู่ต้องตกหนาลอกราลกซ้ำแบน่ยลูกยาวนแล้ว เจาปาม่ได้อยู่มันกินมดเลยข้งนี่ยชัวรมันเป็นยกเจ้าปูจากินมดเลยปูาอยู่ม่ไเลยปูจาอยู่บุ้นอยู่อยู่ิ้งผมไ่ิงเลยปูจามดเลยกินมดเลยคือชัวเนี่ยยกเสียหินเสียคำเนี่ยยู่สักเนี่ยมันดูเหน่งเนคิดเนี่ยคือคิดเราอยู่กับสามอยู่ผมมาเคยกับเป็นยกเาอยู่กไป็นยกมดากู่ผมมันไม่ไดบุ้นไอ้พูเคยแหลอยู่็กเป็นโุกมาคยตืนเป็นยกปิดกายนั่นี่เป็นโุกกันพอแล้วพอว่ด กิดปุจจามไม่ได้ยู่งพอไม่อยากฆ่ากจุจจายุ่งากมามให้เราล่นพวกช่วเป็นกำลังคมาคือดเหมืน้วนมั่งฆ่าล้วนมั่งเินร้วนมันอะจรพอเาคือสจการเขก็มาอยู่ในอยูกนี่ก็ไม่ทาดีเลยไม่ทำมาหน้าปุจ้ายเลยอะไรเเียหน้าตให้เือบุญกับยุ่ง้เชื่บุญกับกรรมเราตงกับบุญจริงๆทำุาไม่ทําม่ก็ไม่รวมไมันรมรวมมามาตว่าโอ้ก้ามาตัว่าจะยุ่งนีดม้าตั้ว่าเลยตั้วว่าปุจจายย อาจมาจะมีเลยอยู่คองาุกจพาจอบุญนี่้ใก็จะไวง่าอยู่เกิไหวง่ายไปเลยตผมไแแรเยว่านี่วอยู่ตักบุญกับผ้าจก็ตงตกมาหอบุมาหน้า้าอยู่อนี่ะผู้จมันผู้ใจก็ตงุมาให้หมายูให้หมายรู้เีใจะห้ให้้าสื้อนหบาทนี่จึงควรู้อแล้าเนี่าดี๋ยวไม่อยู่เลยอยู่ ปวดทบมากผวยเจ้าไม่เอาใเ้เลยเนี่ยจะอยู่ของเบิ่งตานเลยจองรวมกันก่าท่ายอาหารของผู้เจ้าแต่เราอยากทราบจิตก็ผู้เจ้าไหวให้ได้ีประยชตเราจะไปได้จนุคนยากมากเลยอไปห้าผู้เจ้าอยาไปท่าไปสูบตทหมดเลยตักรวบตัว้มยองนีนเราตกรุกหนนย่อวพ่อย yeah. ่มตาจะหลนี diploma, ่อยู่ว้ยจุดปีเลยอยู่ไม่นานจุดเลย ไม่นานนก็มาเกิดชา้ิลอที่ก่อนคือดาตจุทแรกงนราอยู่าลมีส่องทางงส่องทางโลกยามมาเกิอจะไม่มากิด่วงยมชาติเกิยุดยมาเกมาก็ว่ายามมากมาไม่กอเกิดเลาติโยไม่กอเกิดนะไม่ทานเลยนะโยมไปยามรลงคิดรงคิดมดเลื่อยชั่วเที่าอกคิดเดียวเลยคิดนึงเอยคิดปรุเจ้าเลยนะเนี่ยคือคิดของคอ เรคิดนี้แหละมายับมาคือคือจิตนีบ้านอยู่คิดนีบ้านถ้าจิตนี้หนังตกกลางใม้กรจโมาคือลาบ่มาคือดาวในนู่นนี้หลวงพ่อพยายามจะชื่ว่าไปย่ำว่าลามัดรลยลางคิดลางมดรวยคือยากจะไปตามผู้ดี้าวนี่ลางมัดแต่เปน้านโยมป็บ้านถ้ามันมีต้องดังโยมนะถ้าเราจะยายปิบ้านเราลังคิดมดถ้าเราไม่ไม่ป็นน้านน่โยมตำบูชาการหล่าที่ ต่ำบุญให้ทานราที่นั่นต่ำอาต่ำบุนต่างอาตาราพิสิทธคือตักราชินีเคยมาคุณคุณช่วยอา่าท์เนี่ยอาตารคุณคุณคุณคุณคุณช่วยตักราชินีถึงคือตักราชินีถึงช่วยกักราชินีเคยมาช่วยเรื่องอ่ถ้าให้ทานก็ไปคุณช่วยอะเฝ่าเา่าปัญญาเนี่ยคืเนี่ยต้องมาเพื่อลาต้องเจ็บลาต้องแก้ลต้องใต้ลาวยู่ไปรุ่นต้องใต้ลาในนู่น มีสองสามยาชาโยมยาจะมาเพิ่นโยมตรงไงช่วยถ้าโยมตรงหลักชายงยาจะช่วยหลักหลักชาซึ่งเถยาายาจะรวยให้ชาเลยชายากนยาตาวน้าอยู่นี่ตรงนี้ยังติดตัรงนี้เลียวอย่างนี้เหลียวไยนางนี้ชาเลียวไลยเอานี่เหลียวไปเองเนี้ยถ้าโยมยาในตางเขาท้องทางโยมท่างจะคนนี้ปัานดับมุ่ยยาโยมตรงตัดต่ำจิ้นนึ่งเลยนึ่งเหลือยู่ไม่ขาดตเลยเลย พออยู่กับาอยู่กับบ้าเลยไม่อาเรยเลยนะไม่เอาจิ้งฝีไม่ดินมเอาเรยเนะเอากินงเอาจิ้งเดียวเยนึงเลยอยู่อะไรคือาบ้านยุ่งต่ำใจมากอ่าก้าวไปขอดกหนึบหลวมมั่ล้านมั่งเล่นมันมาจิ้งทุบโตรจิโไปอนี้ตอกหมากตัวกับเนืมันฟอกไปแล้อยูุ่้งตอกตอกาเส็จยล่โร่โร่โมรนหัวหน้าอลไอยู่ตอกไปลุมตามเรา ลูกยากไปไปดีปันลุงเราต้องไปดีปันกันอยู่ถ้าเราไปถ้าเราไปไปปิดลูกคิดล่างตัวไปมันปัญหาเนี่ยพอลูกโอลูกเราเรามันไปต่ำไมมันไปต่าไรเลยแต่มันต้องคิดปัญหาเลยนี่ถ้าม่อยากไปดีปันลูกล้านจะไปดีปันอยู่เมื่อคุณยาเนี่ยจะไปดปันก็เจี่ยวกับเรองต่างๆนี่อ่าพลังคิดพวกรู้เลยว่าคิดอ่าอ่อรู้เลยว่าร่างกายกับพิด นี่คือเป็นโรคํากันรคคิดได้รร่างกายเราหลัก่าอนหลัก่าอิีหล่าคิดอีหลัก่าร่างกายไปลั่างาอยู่โรมมาเกิดเนี่ยเราห่าฆ่าอินล่อราออยู่มี่อยู่นี่นะหลักฆ่ายาเป็นรคเนยถ้าคิดมันเป็นรเลยว่าเราบ้าเลยแต่หามรู้ก็เบาเนี่ยนีเราไม่รู้พาโรมไม่ยถ้าพิเป็นรกันทีร่นอยู่ไหมพอจพัเป็นโรคบาทีรู้จดีแลวมันเป็นรคเลยไม่พินอยู่นี่ ม่ถึงครับนี่รวมอย้มโอ้ยรวอกนะคือปาบัติบอกย้อมนะพอะปักเจ็บบก็ยุดจะปักเจ็บมาเรื่อยนะจะไปไล่ทางแล้วนะมาชินยาพวก็บดี่ดีแล้ว่มงันจะเห่อยอืมาม่จะโหรไม่ใชรเข้าวต้องดำด้วยเรามุงชาปาดดำเอาไว้เลยนี่ไม่เจ็บเลยพวกพอเจ็บได้ก็ให้ได้ม่องเรื่องก็งมั ไมันอยโยมทำแรงให้เลยนี네่วายู่มไอ้เึิ่งเปล่าทำวายเช็คเลยวะคิดเลยมังเหล็กจีบเราคิดมั่งตัวปิบปุทธานจะบอกง่ายเลยวอมันช่วยสร้างแรงถ้าเอ่อคิดปลาพุทธเห็นอายยุ่ยยุ่กับปลาทำซึ่งคิดปลพุทธต้องราคาปาทำปลาทาต้องราคาปาพุทธึิในอย่างใดเราไม่มีปุทธปลาททุกโฉมเลยถ้าเรายุ่กับปาพุทและปลาทปลาทุกเรื่ปลเกียรต่มีมันบุญต่างปเลย ไม่แจ็ปอยู่ไม่ปไปไปธรรมชาติอยูไม่ปไปปป็ธรรมชาติมันดับไฟมดเ้ยของประจธรรมชาติเรื่องแจ็ปนี่มันปก้องวเดือแจ็ปนี่คือคือเรื่องบุญเงกเรื่องแจ็ปนี่ยเรื่องห้ามไม่ได้เยไรื่อแห้ามไม่ได้ถ้าเสื่อแจ็บมันมึงจ็แกได้ผมก็กัแกวเรื่องแจ็น่แกได้วบอกก็ให้าลาดทำจะทราบว่าผิาบผลาดทำผู้บิท่ ยุกันแลวเอปลาปูปลาดำกรุกระชมอยู่ที่ภูอีรุ่งที่ผมไ่ปลาปูปลาดำเพ่งทีนนมาเื่อเแล้วไม่ช่วยปลาปดำเพิ่งที่เนี่ยเออต้องจะอยู่น้อยยิองก็อยู่จะอยู่นอกรอมาช่วยช่วยมันอยู่น้อยยิ่ ต่อนกิดจนนี่คิดเตรียมย่มเลยยุมตาัมงหมดิดุ่ย่มว่างเลยอ่ะเอาเงนดงดังแหล่งดทิศตามหมดเลยขึ้นคิดจบคมลุกไปเลยซ้ำเลยจะปล่อยพิชไร้บ้างจะยุ่มจยมมาที่ได้ลุกไหเลยไม่เลยยิบลุกที่มานีแต่ดียมเินอรมาเลยอะไรทีก่อนที่เช็ดเช็ไปตั้งมาหังได้ไยุ่ังเราเองแต่ก่อนที่หลังงไม่ได้หืมแ่จุ เนียอกงจะเจ็บแขนเนียมเวมาเลกมันเนี้ยเลิกมึงนีเจ็บมากินอืมเ็บนวันเนี้ยเนี่ยถ้าผอนหลังจากนี้ทีแรกมันได้อืมมันจะยุ่งนเนี่ยซึนปรรมแก็ไปนังเางเงี้ลูกโอยงนดสิมันจะเจ็บมากเลยตรงนีเจ็บจนวันไอต่อเขาอดนนะดนก็ตรงไหนตรงนี้เลแต่กดกดมันเที่ยว ซื้อว่าจะได้โลเว็บหรือเป็นแชโลเกลงอกมาเลยจะเป็นได้ไหมสมมติเชื่อฉันนะถั ยิ่งป่าวว่าเรู de ู เจ็บงานไหมเจ็บงานอะไรม า, น, า น, มรนั่อย่างงี้ยนี่มันจบไม่ไม่ไม่ยืด นีเลยบูมมานี่ความค็บูมมาเลยิทัดยังแล้มันจะเดอนไหรือแล้วปอแกรนี้ถือว่ามันจะมาานีบกบไมคือว่ามันมันเดินดันกนีบแต่โปรรนี้ดีแกนู้เหรอนนว่าถ้าออจะิย์ลูเว่คกบไลูเวมันมีจอ อืมอเนี่ยนักเลนักขัวอึดขั้นยังไงความจิงเนียมานี้ย่าบานี้ดิั่งชาโคังช่งโลกอะไรเงียังกวัมีมีมั้ยมีแต่าที่เปน คนนี้ไ่รู่คจดีเอ่่อ่งเ้ยนทาไม่ไอไอนั้นนี่เพื่อนเาเจังนี่ cái đi lại bô bô mai bô mai bô mai được. มาทำหนังสือห้เองเลยเราท่านก็เราหนังเบาหน้าก็น่าด a เองเลยไม่มีอนี่นพวกานยงบ้าบอเราว่าว่น้องรัฐบาลยังการลนับราส มันจะปอมาใหม่ใมงบอวนเก็บเดือนหุนครุ้นอืมอืมอืมันมืมอืมอืมอืมอือืมออืมออือมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมมอืมอืมอือมอืือืมอมอืมอืมอืมอืมอืมอืมมอืคือืมอือืมมอืมออมืออม อยู่โต้ไม่ยังอืมก็มึงก็มึงจ้าไปอืม ดูยังเจ็บนี่าไม่้องใช้่มริงกว่ายำแบบใช้ได้เลยดูดูคิดกับดูร่างกายนี่ต้องดูดูได้อยู่คิดแบบใช้ได้าการใช้ไดอยู่บ้านเออเียวอจาิดข้ามน่ หรือยังไม่ค right, ิดเลยบอกเนี er. upset, ่ะแต่บอกเรื่องแลธีการส่องิดคือกากตัวแกยุ่งไม่ชัดนะไม่ใช่การส่งผิดเพราวามันไม่ตรงกััวเราว่างเราเาเวาทำอย่างเี้ยเราฟังคนอื่นดูแค่ใช่หมฟังไปทำไปรังไปทำไ อยรู้กับเสียงเหมียให้มันร่วมร่วมคือทำไว้แต่ฟังก็ได้ยินทําวมเมื่อเราทำไว้แล้วแต่เราเพลิดเพลนงให้มันได้ยินบ้างนะหันนี่เรืองก็โยนนิดนึ่งนั่งก็เป็่นวิธีไปนเข้าหล้าวแชไหลังสายนเพราะว่าเรามีหงายก็ต้องดูแลหัาแช่ทีแท่แล้วไม่เป็นสองวันไม่ใช่เรานะ ไม่มีเราเลยในในชีว so, so yeah, so, so yeah. so ิตเนี้ยไม่เราไม่ได้เกินมาเลยไม่ได้เกิดแต่คือมีแขกที่เกินพอหลังกายถูกติ่งถี่เกินมากนี่เป็นทุกข์เลยอ่าิ้งถี่เกินมานี่เป็นทุกข์ไม่เลยแต่ว่าเราไม่ได้เกินคือเราไม่มีออกไม้อะนะมีแต่ทุกข์เนี้ยชายลักตรงนี้เป็นปัญญาให้ทั้งตัว่าไม่มีแต่ทุกข์เน่นเราไม่ได้มีเพราะฉะนั้นจะไม่มีผู้ใดเดยไปหลังเกียรติติ้งนัต่อเราไม่มีเพราะฉะนั้นมันเป็นบ้านเราคือเป็นไร หลัตาให้จะจะไม่หวาแล้วทหลักตาไม่ให้จะไม่หวานแล้วผลมันเป็นแบบนั้ใช่ไหมนะนี่มันเป็นแที่เน้เพอโลบางอย่างเราบรจก็หวาบางโลไม่หลักตากตาให้บางโรหลักตาตไม่ไห้มันไมนเด้นอยู่แบบนี้ต้นทีนี้เราเนื้อถุกคือมันถุกแต่ไม่ต้องถุกพอถุกได้ไหนเราทําจทำไหวในใจุกไม่ใช่เราคุ้มังไม่เรเป็นแผน เนี่ยนตรงนี้ปะปอกับเผื่อให้รา้นสุขใช่ไหล่ะเป็นการอยนหรือ่าเป็นทำหนใจให้เหยียบใครกับค่ากันนี่คือดีหเล่านะให้ก็ไม่หวานไม่ให้กไม่ผมมันก็ไม่เถียงให้เลยมันเป็นไม่หลังให้เลเป็นไม่หลังจะหวาให้ถ้าวรอนง่ายถ้าให้ถ้าว่อนมเปรยวหวาไม่แก่ไม่จ็ไม่ตายมันจะต้องเซียนไปตางกนต้อนไป่า อยู่ควรจะหวง่ายๆปวจะวอรจับป้องง่ายไว้วอะไำอย่างการก่ไหมถ้าไหวเลยถ้าไหวเลยมันจะลืมถเลยมมันตงีจะบงรูเล็กนึงปทาักถไหวเลยไม่ได้ถ้ไหไม่ ไอคนหลัก้เราวัดะ้าลตเไม่เอลยะล้อยู่อยู่ข้อต้ยืข้อาลต้สตสิเวัด่เลยสยเลยวัก็เปบบาวัดเย่บกตกนถหลเาเกนกอยู่ไม่เอาที่ส่งที่มวัดหมดเลยหมดเลยวัดหมดเลยเออวไม่มีลว่าึาอยู่เลย แย่างกนั้นก็อเบขาต้องตกในี้กต้องคือแค่เจ็บจึงเปไปมดตายมัดอยู่กรมันหมดยินนามนไปยินนามไปนามุ่งปไปนิ่อยไม่ด้เยวเาไหวว่าอย่าว่างเราอย่างเันเอยกจะกล้องของเราใ้าองราเนหนั่เจ็บว่าจะไอย่างนี้มยอมเจ็เลยบ้ายู่นี่เราพูกความเจ็บเี่ตของราของเรากิไม่ของรไม่เก็บเลย เท่ารกาตัวอยูบ้าเลยแล้วึนับางว่าเาไเลยก็ตัวนี้ไมันองตัวนี้มันทำอะไรนะแล้วคือรนะกเลยอเลยก็นาเท่าไรเลยวังตลงุงทจไม่ทำตัวจะฆาอิ้คิดเลยคิดแตงาหมดเอคิดไม่เลย่าเลยกคอย่างกายอย่างกายอ เอคยม่เลว่น่าน่าอเลยังการบ้านที่นไม่รู้ไมแต่ผนตู้คือนอน a ื้อน้ันาอเปนรอกเปนร็อกแล้วินดดื้อมันิ้แรอกแล้วจินอดื้อยหูมั่งนู้มั่งฮ่าฮ่าแคิ้นดื้ออะ เออถ้าเราอุ um> È, <c oughs> <c oughs> ่นแระอืมไม่กี่ร้อยก็ไม่พรกไนัรไม่ดูแรงไนรไดู้ตัเไม่ได้ โก้ก็มั่วววตอนนั้นเด็อายุนอย้นที่บอกีบ้าหลักณเนี่ยเางมือหลักหลักทไปใช็มั่วมงเรื่องมื l เล็กนี่เรื่ออเลกนี่ยี่ห้อันนี้โอ้็บไตั้งวดร่องวันก็ไม่น่า็ก็ไม่ตดสมันยังได้หลักกเป็น อย่างเดียวตันี้มันนนเดียวเป็นตัวอืมบหม้อมาไม่น้ำลม้าดีเยอพยาเพวกเป็นเจ็บตุ้งเจ็แล้วนเจ็บเจ็บแล้วที่มือพวกอรพวกแฉจะตํางขือืมไดาปหลุมหม้อไปหมอม้อหม้ไปอาโยกยาโยกยาด้วยกันก่อนเอ่อตีลม้า ก็มีคนยังก็เขาเขาไม่ได้เขาเขาปล่อยเรื่องที่เขาเรืองเราเราการที่เร่องที่เขาเป็นไดก็แค่เรื่องงงธมายาเเา ไม่เหรอเห็นเลยเห็นมั้งเพื่อเพ่อนเ o ื่อนคเดยที่ที่เรากลยได้ยปเลย โอ้โหี้นเนอ้าไหเสลยโอ่อมหม้วางหม้อยมาคอยนงกมี่ยังหม้ว่าอืมกงเดี๋ยมาอล่าะน่อาจจก็ถืมไม่ไป เงารอาจอะลักลมอาจดันนั่นนะอาจจะอะไรลัตนะไมไม่ายคอะไม่เจอลักลืวเดี๋ยวให้โมพทานนอนเดี๋ยวอนีมามนู่นอะไรหองเวลาเวลาพูดเวลาไปนอนะไพูดตอนนี้มีนคนที่คนมีอายุมากแเาหลังกายขมไเกอ เดี๋ยวบอกวิธีทุกานอน้นะเดี๋ยวมื้อมงม่อนพุทปฏิบัติทํอนพราะร่างกายของเราบางทีนี่ยนอนด้ึ่งเดียวกันนอนกับมือนะนอนกัมือเนี่ยที่ละมือเนี่ยนอนเล่นๆนั่นเนี่ยที่วางให้สบายเนี่ยนอนให้รู้สึกนะกมืให้รู้ึให้รู้สึกอ๋ทีนี้ยืดกัมือกับี่ฝา นอนแน่นอนตัวนี้นอนไันเรื่อยๆตัีว่ากำลังอนู่ตรงนี้อ่านนทีนี่ไอเนี้ยเป็นเรื่องทีเราบอกแต่ว่าไปทำ่าที่นี่เอาอีกแล้วนะเายมองไปที่เป็เด้านนั่นนะอันนี้อยู่ตรงนี้นะมองไปที่ตรงน้นเรื่องมองปั๊บช่ไหมตาเอกมันกับพี่ตรงนี้อให้หลับรู้สนะกับพี่นะนักบพี่อยู่แล้วแอ้ รักลูรักษาว่าเออตา้องกับพี่เอาราะเราอตรงนี koy, settling, <vit> ้เราทำไได้หรอเราก็จะใมากระดิ weil, hai, ่แล้วเล่นล่นหรือบางทีนเชยแลทองทองทองม่นองนั่งยู่มั้งแบบนี้หอได้นะอดจ่ให้จาะมีทอมียีอีเนี่ยอียกับูะอนีู้เลย เป็ได้ใช่นหมเออนี่แบบนี้ถ้าเราไม่มีตัวนี้เป็นรูปกรอสในการรูนั่นมันขิดหาเลี้ยวดีจนเกิเนี้ยของมันรูมันก็ยุติเลยเดี๋ยวเหอแต่หน้าดีรูไปเนี้มันก็ยุติซึ่งมันจะขีดมั้มันจะไม่ขิดยาวเดี๋ีวด้ด้ซึงบอกเลิกปั๊บมันขิดยาวบอกขิดยาวปั๊ามือมันเออตยุบมันี่ใช่ใช่โอ้ยใช่ตัวที่ตัวที่ตั ดีมันใหญ่มักวโตอ่ทีนี้ลองเอาหมือนกายทําคําืนตีเขาเป็นครั้งเป็นครั้งดีดีนี่ขอขอไหวงันหมือนวิวเออก็เป็นทางเป็นรั้งนะให้รับรูได้นี่บับ่ายโอ้โหนีนะเอาไปเพื่เลยนะถํามันลักละเหลวไว้ถ้ามันตื่นแล้วแต่ยังไม่รู้ที่การนั่งทำแบบนี้นี่คือตํางมาด้านไหนไหนบ่ายไม่ต้องมาทำงเคลียดขากว่ากราย แกไว้อยุนเ่้ป็นแล้ขออยู่ที่เดิมครั้งครั้งครั้งไม่ต้องไม่ต้องหนักไม่ต้องอะไรไรู้ยเยๆดิ คือให้จ no uh oh. oh, ิ้มมารูหมารับรูเม mm ือ hmm. มีจิ้รูมันก็ไม่มีจิ้กินทเออแล้มีไปหลอกคนกเออมาให้ยูนี่โอ้บานหุ่เยอะน้ยเด็กกวนเลยอะไรอย่างเงี้ยบ่าานกูเกัวนเลี่ กีเนี่ยลาๆะลรคใจหรือปัจจันี้ต้องพน้น่น้ำนนี้สร้างพุนอันนี้เขาเ่จะส้างที่แี่องนี้คนว ก้าวผูยังเลยแต่แต่พอว่า่าได้คุณีนีนี่ป่่อมงคไม่อ่านคือใจว่างเบากมาช้าหลับที่ใจยังยังรู้ม่คงสุวันหน้าได้มัไมั้งกับโบนทีนองต่มา นะทีนี้เราก็ทำกรรมฐานนิดนึงนะเผื่อให้ความแตกต่างนะเดีวว่างที่เราลาวเนี่ยเราดูผมหมดเลยมีความให้ขณะเรายกมือฝั่นนี้ยังไม่รู้เลยแต่แล้วตอนลาวนี่ยกมือฝั่นนี้ไม่รู้แต่ถ้ายมไม่ลาวยมตัณใจยกมือหลยรู้ไหมทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำเสร็จก็จะโยมรู้ไหตอนนี้รู้ไงรู้แต่ตอนที่ลาวโยมยกมือต่้งหน้าที่รู้ไม่ได้น่กว่าไงนี่คือความแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเราว่างที่เราเหลาเหลืองเราคิดมันดูไม่ได้มันคิก็ูดีมันูในความคิดมันดในความคิดคือมัียคิดเหลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเหลืองพวกแม่ทายิมาท่าใหมมาเป็นความรู้น่รู้ให้หน่อยนครรเฮนายยมแหล่ยจไปทาแบบนี้ได้ไี่ทำสิวามันดูทึ้ได้ไหมมันจะรู้ทึงมันพ่จรู้หลังเลี้วนีีไม้าร เร ja yes, so ื่อเรื we ่อบางอย่างนะวันนี mm, ้เราเคยให้อ huh. ุบายว่าให้พุดโทษเนี่ยใจเอาไว้พุดโทษคุนดีเหลาเรื่องเรื่ออะไรได้กะได้แต่ให้ผุดโทษลองทําเลยดีเหลาเรื่องอีกเรี่ยวกันด้แต่ให้ผุดโทกษนะผุดโทษเดี๋ยวก็เหลากันตอบไม่ได้มันเหลาไม่ได้ถ้าหน้าที่มีพุดโทษมันเหลาไม่ได้พอเหลาได้มันก็ลื้อผุดโทษเพราะฉะนั้นทําดีดีดีทุดคือให้อยู่กับพุดโทดีว่าหลือเหลาหน้าเราเล่นคำว่าแร้ว่าเอาพุดโทษไปกันเหลาเหมืกัน เมันอนี้ตอนกันได้หรือข่้นไงนี่ก็เลยว่ากายไว้ใจรูเพือมันมีมีใจผู้รู้เนี่ยจะรู้อยู่ไหวเนี่ไว้ไว้่มันมีแต่รู้พอรู้มันิดหน้อยไงบอคิดมันไม่แต่รู้ใช่ไหมหานัินก็ได้นี่ซุ้มบารีกรงร้ายนะซมบารีร้อนเหมยร้อนน้เนี่ร้อนนังเยอะคกนี้ก็ได้แต่ให้บูทึกอยู่นะ ให้เราเลิกเจ้าการอยู่ก็ใกนเลิกไอยู่คนเดินใจเลยนะน้ำน่งน้ำาลหนงยืน้นเลยจ้ออ้ออ้อ้หห้ห รู่วันนี้มันข้าสู้กับูไศลกจางกระดิ่งเคยกวนอก็เอออวัรัชรูเนี่ยทาหนังรูเราลมหายใจขึ้นขึ้นลมหายใจข้าให้ใ จ, ใจออกไปนี่ขันต้นเราจำลองนะฐานใจนหนังนให้ไม่รู้แต่ยังหน่อยฐานปายุ ก, กับกัลบลมหายใจคือทำแบบนี้ขึ่นมาให้ใจข้าให้ใจออกให้ใจยาวให้ใจเร็วให้ใจชา้า เราว่างตีให้ลมหายใจในความคิดพุ่งขึ้นมาพิษพิษพิษพิษพิษพิษพิษพิษพิษพิษพินพิษพิษพิษพ่ษพิษพิษพิษพิษพิษพิษพิษริษพิษพิษพิษพิ่พิษพิษพิษพิษพิษพิษพิษวิษพิษพิษพิษพิษพิษพิษพนษพิษพิษพิควิษพิษพิษพิษพิษพิษพิษพูษพิษพิษพนษพิษพิษพิษพิษพิษนิษพิษพิษพิษพิกพิ้เิษพิษพิษพอษพิษพิษเิษพิษพิตัว พอดีเลยนะว่าเมื่อกล่าวเรารู้เลยว่า เ, าเาห้ยแท่งถุกคือเพราะมันไปคิดใช่ไหเรารู้อยู่ใจใจเดียวนะหว่าคิดถุกคิดเจียวคิดถูกครั้งหรือมันนําพุงมาให้ทุกครั้ง ในเมื่อเราลูให้เร็วเสร็ยอย่างใรย่ในมันคิดต้องกลับมารูนี้กลับมากลับมาูกลาลูกลับมาลูกลับมางกลับมาูกลับมา่ง้างกลาแข็ูแเนี่ยพอรับถูกได้เลย้องลูมาเยูรอันนี้ลูก่แกกอูกี่ะแกู ช่วยกันน้องเราไม่ยุ่งนะช่วยกันไม่ถึงอายุไหมครับพอแบบนี้ครับรืมตัวให้เราบอกแล้วไปทำมาให้ช่วยกันบอกซึ่งโยมไหนก็ทำเราทชวยกันถ้าใครรื้มจะมีคนบอกว่ารืมไปตั้งนานลืมมาตอวันแล้วถ้าไปทำไม่้ยยนเยอมีเวลาทากังซึงเราถ้าติดเรื่องใที่รุษเราตอกันผู้ผยธมามพระอาทิต เราลูบ้กันเราเราทุ่มพื้นทั้งหมด่เลยมือนะนี่ยมทําบเนี้ยไว้เนี้ยลองทาเลยมันรูดสึกงไดไหรูึ้ได้เลยไหเออให้ยื่กําวามรู้ซึกวนี้ใจมันดีไปใหนสิโอ้เออให้ยืกาลรู้สึกงตเลยเออสู่มไต้องรีดที่โรเราไม่เอาเราไม่เอาประโยชน์จากออหรือหประโยชน์จากามที่มีสติมีสมาธิมีสิมีปัญญาอยู่ในนี้อันนี้เป็นเป็นอันดับหเลยนะ ตีจิง ม, มันพูดอยู่แล้วเลยพูดอัแต่ว่าเราไม่กำลังรูร้ไงเราเราพูดไปเลยใจมันลอยเลยซ <c ười> ึ่งตอนนี้พูดไปให้ใจมันรู้เยียเห็นไหมพูดไ้ให้ใจมันรู้ไปเลยนี่ือ้ <c ười> โหได้ทา ง, งานได้ทาไม่โทษก <c ười> ล่าวต้อแงแรงร่างแรงเน่อ <c ười> น่านีธยานแล้วนะเห็ <c ười> นว่าในแต่พูดดุใจเวลาโยงกิงข้าวก่อนที่จะโดนทำแบบนี้ เอนที่อนซื้อมันชบอน้อมนทำะไรด้มั้งเขียวเขียวารหลุดงอ่ามีหนะให้การดรูกับการหุดึ่กับการเขียวเอาลงเขียวแรที่หลุดึ่ไหมคือา่มันไปยักไปยักไว้มีมีแต่เทมสมาธิอยู่ในหลุดตัวเนี้ยเิมาดีไปไหนน่เมือกำลังดถูกผิดจุดยางเลยวมันยกกับการรูอยู่เนี้ยเขียวเดือดื เ <X> ดี <weaving S 2> like ๋ยวเกินเดี๋ยวกนนี่ฮักแล้วมีวันนี้ได้พูรอยบ้เลยนะ่เราไ่กันี่ของเก่ๆประมาณนี้บอกมาเวจไ้ก็บอกว่านีรวมเงรมยาเ้าเมือุ่เจ้า ข้ที่พขาวุญเจ้าน้าดอยังเล่โบชุดสระนาโบชุดเดอแต่ม่พอนเจาพอเจาก็นั่นนั่นโดนโจโจนี้นี้เร่อมา่มไอฝังข้ามาใจเราก็เลยหายตัวลูกลูกคนลูกนี้ก็มันโดนข้าวเราก็เลยสมุรตาเรคุ้มเมยมาอยากทิ่งอีู่ที่แม่กับป๋อป๋อชุดปาเลยมันกบได้ป๋อชดป๋ามันมันมันมันอยู่อูนองไป Dante, ตัวธรรมจานองสี่รับมันแจกจิดถูกต้ถ้าจิตนูนเค่งจินู่นมัับเรื่องเอย่าคิดนวดหมดเ่ที่อันเลอานิดบที่จริงจรงมันน่หลับได้จิ่ยไดต้องทำให้เรื่อวนนี้วนนั่ที่วันหนที่จะได้ทีัที่จะได้เหลังหลังคิดหลังยังนั่งมาคือหลังคิดมาลังไปหลังไปหลังไปหลังคิดหลังคิดปหลังคิดดัวก้องถึงตกตงหมด ย้อนดูถึงบุกาดีถึงใจทั้งหมดทีเราปล่อยปล่อยะไรก็ีคนปล่อยปลอยมันน่าคดะพอท้้ว่เอคือเราบอกมันเลย้่ไม่ต้องมาอืมไม่ต้องวางอ่าเการกพุวรรษคือมันเลือนกันถ้าถ้าคนนี้ก็เร็ว่ะให้ิมาลูกใจรู้ไห ให้จิตเนี่ยจ mm ิต hmm. ม yeah. ันม no, exactly. ีจ nope. so mm ิตผุดผาอยู่นะจิตรูเนี่ยมันจะมารูรูซึ่งายส่มันถึงว่าถูกมจะมีจิตผุดผากับกับสิ่งนี้อยู่มันไปรูเท่านะซึ่งถี่มีผุดโถมันก็เป็นอุปกรณ์บอกว่าว่าผุดโถุ่ดโถโมันจะเกิดจิตรูขึ้นมารูเพื่อเอาเดี๋ยวให้โยมดอกผุดโถ่ทิศซึ่งดอกจะถ้าเอาผุดโถ่ในใจนะเอาผุดโถออกเส้นป๋าผุดโถออกเส้นพร้อมไหุโถุ่โถ พซึ่งเราจะทา่ะาแบบตอนตอนนี้ทา่าแบบเหลือพุรือยพุทโธหยังอะไรอย่างเงี้อยอันนีรูว่าพุดโทเล็ว้าแลตรงนั้นลมันรูแต่พุทโทเป็นตัวรอให้เกิดการรูหนึ่งบอกว่าออุโ ท, ทุรูได้ใช่งไหมรูได้ใช่งไหมอ่าเนี้ยตรงเนี้ยมันมีจิตรูอยู่แลวรูว่ะ ก, กาลังพุดโธอยู่หนึอกว้งทีงงง่นีพอหยุด ยึดรูมันจะรูได้ว่าุดโทษเอ้มันจะรู้ได้ว่ายึดเลยคือพอไหเนี่ยตรงเนี้ยคนผมเข้าใจไม่ได้เมื่อเทาห่าเข้าใจได้อย่างเดียวคือเข้าใจว่ากาลังสุโทแต่ไม่ได้เขาเ้ยใจเหรอคยรูว่าือพอหรือไหมเพอาะฉนั้นมมีตัวรูยุรูหว่ากำลังสุดโทรูหว่ายึดแล้วเมื่อไงรับอีกนั้นช่งเหลือของโยมมือวางมท้าดิ้งก็มวางวางแบบให้ไปเอาละวางเลยยัง ว่างเลยย่างตอนนี้เห็นไหมเราไม่ต้องท่ามั่งกว่าว่างเลยย่างพี่เราท่าแต่โยมรู้ได้ไม่ถึงหมดมันรู้ได้เองคือจิตมันรู้ได้ว่าว่างเน่รู้ไหมกําลังว่างอยู่ด้วยเอาเีนี้เอาไปมือไปไว้ข้างล่างนี่ไหว้ข้างล่างควายไปควายเลยย่างตอนนี้เห็นมหมเราไม่ได้เรียนตาแต่รู้ได้ใช่ไหเนี่ไอ้รู้นี้แหละเป็นจิตพุทธาเป็นจิตผู้รู้เขาเหอยู่รู้อยู่ว่ามือไปอยู่ข้างล่างแล้วไม่ใส่ตาเหนื่อย เนาะเอาเอามือไปโชูข um. e ึ้นบนเนือวัวูได้ไหมตอนนี้อยู่เนื้อวัวูได้ใช่ไหมอ่าเอามือลงซึ่งตอนนี้นายหยิมปิตาโายทำหน้าบ้านว่างนายหยิมปิตาปิตาอยู่ปิตานะซึ่งทําหน้ายิ้มนาว่างเนี่ยมันรูดได้ใช่ไหมนี่แหละตัวรูมีแล้วเออเอาทําหน้าพวกหน้าปวดสินาอยาาอยาาไรูดได้หมดใช่ไหมล่ะหรือว่าไง นี่แหละรูนี่แหละถ้าเราแร่งทึงนั้นรูมันมีอยู่รูต่ออะไรด้ต่อนาอยักนาว่างรูต่อมือจะอยู่ข้างล่างรูรูวัดที่สายตูรูนี่ต่อไปเ น, นี่ยถ้าเราเข้าใจตัวรูเนี่ยมันจะรูทุกเรื้องเลยกิดดีกัะรูกิดชัวกันรูกิดดีกัะรูกิดตักัะรูกิดชัวกันรูกิดดีกัะรูด้านในใจก็จะรู ชมคนก็รู้ติดหนังเยอะๆไอ้ไงนใจมันก็ใหญ่หนังเยอะๆเรามันคิดเลยแต่มันคิดชมมากร้มากเป็นมาลพัปองยไนะมันมีอยู่องตัวนงลืมการลืมคือไม่ทำ แต่ถ้าไม่ลืมคือจะทำาพราะฉะนั้นเราให้เหลือข้างไม่ลืมคือเขาเรียกว่าขยันทำเนี่มันจึงลืมน่อยทำมารูมาเออหายไปไหนยาววกองค์งาหลังได้ยินได้นอนได้โอ้ปจจบันได้สุขการเวลาซึ่งขาจะย่อมไปว่ากินได้จะย่อมไปยงไปยิ่งยิ่กิไม่ได้ยิที่ดีกว่นี้ ไม่เป็นไม่ร้อนเรื่องอะไรนะอยู่ที่ว่าคือที่น you know ี่มันมีอันไร เราไม่ถูกกับเขาเลืเนนะเนปุอขนโยบก็ได้หรือาก็ได้หมดหากคนนี้ในความในความรู้สึของเรารู้สึกว่าเขาไม่ดีนะทกเห็นไมเป็นบุญบุญนะถ้าเราไม่ถูกกับเขาเราเป็นบุญเว่าถ้าเราไปถูกกับเขาสที่จริงจไม่มีหเที่เราไปถูกกับเขา้เาจะหวานให้เราเผื่อให้เราคนถูกโเราคนเดียวไม่่นเรื่องเขาต้องทำทำใ้เขาไว้เห็น ก็จะทำคนอื่นใจเลวแบบนี้กนได้มากไมคต่ในสิ่งเหล่าน voilà, ี in, in ้ันที่สิบล้านหลังวันที่สิบล้านหลังขายหมดวันที่สิบห้าหลังวันที่ั เป็นยากัน่ก uh ับนองเลยไปีนองไ่เ huh. ป uh ็นเลยรนามาไปเลยกจะเป็นหลักฐานถูก huh. uh ้แกที่วันไปลุไปบ้านค่ะปนวัดันังเลยรางหนังมังมันไม่รู้ไม่บอกว่าหนัง นางไหวเรื่อยไหม่ชอบมาทำบิดลิ้นกว่าอจะเราไหวเรื่อรูลุั้วแล้วบอกขั้วแล้วตั้งไม่นด้อย่าใช่ก็ได้อย่าว่ากันจเป็ยา้าลยก็ในร่างยม่อยู่ได้ปวยในร่างกายเอาสมุดให้ตัดเดี้นี่นะสมุดนะเดี่ยวนี่ตัเดียวนี้เดี่ยวนี่ตอนนี้เราถูไม่เอาไว้ ไม่เอาไว้แล้อยู่กับตรงนี้หนังอยู่ตรงนี้อยู่กับตรงนี้ฟังกับตรงนี้ไม่เอาไวไแ้เนี้ยแขนเนี้ยนี่ถ้าวังเป็นนะจะทาเป็นไม่เอาไว้แหนังอยู่ตอนนีู้อยู่นังอยู่ตรงนี้ฟังอยู่ตรงนี้คุยตรงนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เนียเดี๋ยวไม่เอาไวไแ้ขึ้นคนเวลาไปวัดอวัเลื่อนการลาวนุโอนไปเน้นอนตัวไปอนขอบขั้วนี่ข้าววัดโชคดีได้ เวลาเราไปปฏิบัตรมเมื่อหร่จริงๆมัเอาไว้แลิย่ยูแต่ตอนนี้เดียวนี้แบบไม่เอาไว้แล้ว่งคนเาได้อถ้าขอนาไเราไปว่าการจบใมันเป็นบาากว่าจ้าถ้าพูดไปก็ทศคนมีเกัวเหืองไปซึ่งทางดีดี ปนยาจเป็นต้องูต้องีสิไม่ปลกอยน้จิงนะต่ากนี้นะราไม่ลืนต้องเริ่มเยาถึงู่วคื่นอย่างนีเรากงเราทาทำตอทหลอุเลยไม่เป็นตัวยักษเลยเราแต่ม่ต้องยกว่าจาไมู่กเ่นี้วิวยอนุ ช่วยกันไปกูเข้าไปจะเล่าใ้รู้อะไรได้ไหมนั่ก็ช่วยชั่วแบบนี้หลบลมบอกลมจีบเขาช่วยชั่วเพบว่าหน้านะก็ช่วย้เลยวั่าเจีา เรียนธรมะในีแบบนี้นะตอนนี้เราเข้าใจธรรมะเราเรียนธรรมะยการดูเราจะเห็นเลยมดาแบบมีโคแบมีโคเราจะโคสแต่สิ้นีิโคจะไม่เดินนอนเราเลยสิ้นพิโคทุกขไม่เดอนนอนเราเอาสิ้นพิสิ้นทุกขมาอยู่ที่ตัราไม่พอว่าถ้ารู้ว่าพิสเหลวเราก็ไม่ทำตรงนี้ถ้ารู้ว่าทุกขเราก็จะทตรงนี้มันจะชองธรรมะลายมาไการดีน์ตาาไปีคนนะคนี้อราดูดอยู่แต่ว่าอันนี้ไม่ทุ สิ่งใ้ไว้โทษเราเขแต่หินท์โทษเราไม่ทำตามสิ่งใ้สิ่งใดที่โทษให้เหลี่ยมยามทำให้ดูจะยินมากมายเลยนะความที่ความโทษความรือว่างทัวท์ขคนเริอมขึ้นมาเป็นของเราที่ ก็ไ้เราจะทให้รู้อยไี่าเราไม่มีที่ก็ได้แต่เรายิ้เราไม่ต้องหนักข้อแต่ว่าประเภททำให้รู้อว้เราไม่นักพวกข้อเราก็ได้นะ จเอาละทีนี้เราชื่อว่าเรายอมได้ร้าเป็นบุญถ้าเรายอมไม่ได้เป็นทุกข์ตับแข็นอยู่ดเราเน่ยยมความไม่ทุกข์เนี่แต่น้ำไม่เคี่ยวแต่ว่าทาไม่ถูกน่นคือชนะอยู่แล้วใช่หมเราจะมาเป็นเือเทาหลงเจ้าห้าท่ารยอมไอ้คนคนนี้ คนตรงนี้นะค่ะคือว่าคนนี้รนเนันี่เ เรไปนไปนหน้าผู้บชาการครับเดี๋ยวนี้เพิ่มเพิเดี๋ยวสานบอกเลยเพิ่มเร็วลำกรมารอกความไว้วามไวเพิ่มเร็วคือที่ยิบเลยนะเพิ่ร็วลำไม่ีไม่มีที่ิ้ว่ะ้นิ้นิข้อที่นชิ้นิ้ามันชิ้นชิิข้อข้อที่ ควาิ่งใหญ่หร so cool like like ืออะไรอาคาบนึงนเขาอย่างอย่างคิดแต่่ทุกขนี่เป็นกัดื้อดื้อนะที่ใป็นการกาที่บัติันจะอได้ที่เปเพื่อการทันทัางนี้ติดจิตไม่ติดจิตนี่ที่หน้าที่ใจอย่าง เขาให้แปลงเขาใหให้การให้ขึ้นไปสน้าที่หน้าังหัมไม่ได้โอคโอเคหมเาแล้วที่งียเที่ห้าป้อมเคไม่่ได้ไม่ได้ไม่ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม้ไม่ได้ไ้ไม่ได้ไมด้ไม่ได้ไม่ไดม่ไม่ไม่ได้ไ่ได้้ ทำให้ดีไปก่อนขอบคุณท่านดูดีว่าการยึดนักีความนการยึดการยึดความผูกความผิดนี่คือขิ้นทาที่ยึดผูกยึดทิศกบดันนี่แรับเกณฑเรายึดยึดกันนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนทกขไม่ฝืไม่ยึดเอาเป็นว่า ของพิ้นนี้ขยิบตรงนั้กระไดสาหรับเราถูของพิ้นนี้ขยิบตรงนั้กระสหรับนี้ก็เลยหม่หยุดเราเราไม่ยืดไหมเดี๋วถ้ายุดมันจะเที่ยงน่ซึ่งถูกมาสิพอจะนานย่อมได้ไม่เจียวเราถีว่าเราไม่ถูกเราทาไมู่ิ่มันไม่ถูกเองเกลือปลาไก่เกเลย่ง้เลเลยเดี๋ยวากจะให้ที่นาสน ึ่ีนวิธีซึ่งนวิธีตะส้นนะวิธีตเส้นเนี่ยคนดีไม่ยอมงานบอกว่าเหมือนถ้าเป็นวันอธจาวาวากหนดมาเลยวเจ้าอาวาสในวัดนี้สองที่นี้เดียวแบมเนยโปรต่นไม่เล่นกันอที่่ลแต่ว mm ่าเราไม่ยินแล้วกันปิบัสองทีและสองที่นี้บอกว่าเอาที่หน้าพึ่อนของเกอยู่ทีนะตาสอที่นี้บอกท้นแปลพึ้นร้อนให้อยู่ทีไปแล้วนนนมันหลอกคน้ายว่าเด็นี่มันพุ่งพิษเนี่ยเป็นคน คนเดียวก็ตท่านครจะบอให้กลาง้ที่เศกุะว่าที่นาจะการให้ที่นคนันแกนี้ม่ไมแรับิถาถ้าดซึงรักควรจะเป็นนะจะดที่หน้ามีอนควรจะเป็นที่ไปับที่ไสทท่พ่อที่ที่ที่ทีท่ที่่ทที่ที่ที่ที่ี่ททีี่ทที่ที่ที่ที่ทีท่ แต่๋ยาจะจะที่สามก็ที่ห้าอยู่แนเลยมันม่หรอกตรงทรงหลักที้าที่ห้าที่ที่นี่ที่ที่ทที่ที่ททีที่ท่ที่ที่ที่ทที่ท่ที่ที่ที่ที่ี่ที่ที่่ที่ทที่ี่ท่ที่ที่ท่ท่ที่ที่ทที่ทที่ี่ที่ที่ีีท มันมีทิศน่นแหะเพราะว่าการไม่ทะเลาะกันมันมีทิศอยู่แล้วถูกไหมมีทิศอยู่แล้วไม่ทะเลาะกันเนี่ยมีทิไปทิศทางว่าจะเพิ่งที่มีท่าเรามัวแด่ทิศทาทิแปดเพิ่งอกกันนี่ถกคนเนี่ยท่าทิศไปถูกไหมถึคนเองเนี้ยี่จะหยุดได้ทิศแต่แบบไม่ต้องเพิ่มทิศมีทิอกแต่ไม่ต้องไม่ต้องเ่เป็นยังไง่ตรงเลยเออมันมีอยู่เลยครันนยัไอยู่เลยวันนี ก็เราห้องออกนี่ทุกวันเราปอิบัติเขาเชื่อมถึงที่ที่เราจะออกออกเราใส่ิ่งใส่ริงกันแน่ถูกไหมล่ะถ้าเข้าด้านกันเขาใส่ลายกันคาสิ่ง่ว่าอะไรรู้ว่า ก็ได้ไม่เมืนกันนะถ้ารู้ที่ซื้นะเฮ้ ไปดิแฟรปดิบาง้เจ๊ทเป็นว่าไนไม่เคยมเลเะึเยรู้ว่าไต้องดูอ่หยังไม่้ย อันนั้นอยอกาอนีคือกว่าค่าือนั้นอยู่่มันมันัอยั้ไมัากี่งเวลามันมันมันด้วยซือใให้แรงมันให้ยอะๆนีมืสมมติว่าท่าเือออให้ไ้เป็นปต่ เดี๋ยวที่ตรง